เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องลูกแกะกับหมาป่าการละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้มีกลุ่มลูกแกะวัยรุ่น เดินเข้ามาในทุ่งหญ้าของหมาป่าโดยไม่รู้ตัวหมาป่าล้อมลูกแกะไว้และบอกว่าถ้าพวกแกอยากกินหญ้าจงตัดขนของพวกแกมาหนึ่งกำมือต่อการมากินหนึ่งครั้งพวกลูกแกตกใจกึ่งดีใจจึงนำขนให้หมาป่าและกินหญ้าต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนหน้าหนาวมาเยือนผลก็เป็นไปตามที่คาดไว้ลูกแกะตายทั้งฝูงเพราะความหนาวหมาป่าได้กินลูกแกะแบบฟรีๆแถมยังเอาขนแกะที่มีไปขายทำกำไรเป็นกอปเป็นกรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าคิดเพียงสั้นๆว่ายอมเสียของบางอย่างที่คิดว่าเล็กน้อยเพื่อแลกกับความสบายในวันนี้เพราะในวันหน้าของที่เสียไปอาจทำให้เราเสียดายและเสียใจอย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะจะบอกให้